ในช่วงของวันอาสารหะบูชาคำว่าอาสารหานี้เป็นชื่อของเดือนธรรมฟังเป็นเดือนที่แปดตามปฏิทินของทางจันทรกติเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าของเราอยู่หลายหลายอย่างหนึ่งในเหตุการณ์นั้นที่ข้าพเจ้านามาเล่าให้ธรรมฟังฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้ คือการที่พระพุทธเจ้าตอนที่ยังกรองเรือนอยู่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้มีกุมารคือลูกเกิดขึ้นนั่นคือท่านราหุลมีบ่วงเกิดขึ้นแล้วก็ได้ตัดใจด้วยความรักลูกด้วยความรักเมียในการที่จะให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆจึงได้ตัดสินใจออกบวช เรื่องราวของท่านพระราหุลที่จะนํำมาให้ธรรมบวชฟังต่อกันในวันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวานที่ได้ให้ฟังเรื่องในอดีตชาติละที่กว่าจะมาเป็นบุตรเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์ได้นั้นตั้งความปรารถนามาตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อปาทุมมุตตะที่เอาเกิดเที่เอตายอยู่จนกระทั่งมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าโคดม ตอนที่พระพุทธเจ้ายังกรองเรือนเกิดมาละที น, นี้พอเกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าหลีกออกจากเรือนออกบวชแล้วทำความเพียรบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณออกสั่งสอนโลกแล้วในพรรษาที่สองตามวันังก็ได้มีโอกาสกลับไปที่กรุงกบิลพัทวันนี้จะนาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังต่อ ที่เกี่ยวกับท่านพระราหุลเพื่อเป็นการที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญคือเป็นช่วงเดือนเกิดของท่านพระราหุลว่าท่านมีความเป็นมาอย่างนี้แล้วจะมีความเป็นไปต่ออย่างไรตอนพระสาสดาเสด็จกรุงกบิลพัดครั้นเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จถึงกรุงกบิบลพัดแล้วในวันรุ่งขึ้น จึงเสด็จเข้าไปบินดาบาดโรปรดพระบิดาให้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลฝ่ายพระนางมหาประชาบดีโกตมีซึ่งเป็นแม่นาก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลและในการเสร็จปัิกิจทรงอาศัยการพันานาคุณของราหุลมานดาคือนางยโสตราพิมปาตราจันทกินรีชาดก โปรดพระราชบิดาให้ดำรงอยู่ในสกทาคามิผลและในวันที่สองแต่วันนั้นเองพระนันทราชกุมารมีมหามงคลห้าอย่างคือ 1. การแก้พระเกศา 2. การผูกสุบันปัก 3. าพระมงคล 4. อาวาหะมงคลและ 5. ชาตรมงคล โดยนันทากุมารจะพิเศษกับนางชนบทกัลยาณีในวันนั้นพระบรมศาสดาได้รับนิมนต์จึงเสด็จเข้าไปบินบาทที่ในวังหลังจากเสร็จพิธกิจแล้วทรงประทานบาทในหัตของนันทากุมารตรัสอวยพรแล้วเสด็จลุกจากอาสนะดำเนินกลับไป โดยไม่ได้ทรงรับบาดจากหัดของนันทกุมารฝ่ายนันทกุมารนั้นด้วยความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมิกล้าทูลให้พระบรมศาสดาทรงรับบาดไปพระนันทะจึงต้องตามเสด็จไปถึงวัดทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงโปรดให้บวชพระนันทกุมารนั้นตอนพระราหุนกุมาร ทรงผนวดเป็นสามเณรในวันที่เจ็จากวันนั้นพระราหุลมารดาทรงส่งราหุลกุมารซึ่งขณะนั้นมีพระชนพันษาเจ็ดปีไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและทรงสั่งพระโอรสว่าราหุลพระสมณะคนนั้นเป็นบิดาของเจ้า เจ้าจงไปทูลขอทรัพย์มรดกต่อพระองค์เถิดฝ่ายราหุนกุมารครันปอเสด็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระบาราแล้วก็กลับเกิดความรักในพระบิดามีพระหฤทัยรื่นเริงยินดียืนรับสั่งถ้อยคำเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นอันมากโดยไม่ได้รับสั่งเรื่องที่พระมารดา สั่งให้มาทูลพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงเสร็จภารกิจแล้วกระทำอนุมโมทนาเสด็จลุกจากประธานนั่งก็กลับไปฝ่ายพระกุมารเมื่อทรงนึกถึงถ้อยคำที่พระมารดาสั่งไว้ได้จึงทรงติดตามไปทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระสมณะเจ้า ขอพระองค์ประทานทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉันเติดพระสมณะเจ้าขอพระองค์ประทานทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉันเถิดกระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปถึงอารามแล้วส่งพระดำริว่าทรัพอันใดของบิดาที่ราหุนนี้ปรารถนาทรัพย์อันนั้นเนื่องด้วยวัตตะ เป็นไปกับด้วยความครับแค้นเราจะทำเธอให้เป็นเจ้าของมรดกอันเป็นโลกุตระดงนี้แล้วจึงรับสั่งหาท่านพระสารีบุตรมาแล้วได้ตรัสว่าสารีบุตรราหุนกุมารนี้ขอทรัพย์มรดกเพราะเหตุ น, นั้นเธอจงบวชราหุนกุมารนี้เถิดก็สมัยนั้น ตั้งแต่พระบรมศาสดาทรงโปรโดให้พระสารีบุตรอุปสมบทพระราตเถระและทรงประกาศยกเลิกการอุปสมบทด้วยวิธีไตรสันนิคมที่พระองค์อนุญาตไว้แต่เดิมแล้วทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธียติเจตุตตะกรรมัมอันเป็นวิธีอุปสมบทโดยมีสองคือหมู่เป็นใหญ่ พระสารีบุตรเทระเป็นพระอุปชารูปแรกพระราะเป็นภิกษุผู้ได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีนี้เป็นรูปแรกการอุปสมบทด้วยวิธียติจะตุทะกรรมนี้ได้ถือปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันส่วนบนรรพชาสามเณรยังไม่ได้เคยมีมาก่อนประเหตุนั้น ความสงสัยจะเกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายในนาคตว่าชื่อว่าการบรรพชาสามเณร น, นี้จะพึงทำด้วยคำวาจาเหมือนอุปสมบทพระภิกษุหรือว่าพึงทำด้วยไตรสรณคมเพื่อตัดความสงสัยเช่นนี้พระธรรมเสนาบดีจึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะผนวชพระราหุนกุมารอย่างไรพระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ทำธรรมมิกถาในพระเหตุเป็นข่ามูลครั้งแรกนั้นจึงได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการบวชกุลบุตรเป็นสามเณรด้วยไตรสัตยนคมกระนั้นแลพระสารีบุตรผู้มีอายุ ยังพระราหุนกุมารให้ปพนุษแล้วโดยพระมหาโมกคลานเทระปร่งพระเกศาของพระกุมารและถวายผ้ากาสายะพระสารีบุตรได้ถวายสรณนะพระมหาเกสปเทระได้เป็นโอวาทาจารย์ตอนพระเจ้าสุตตนะสักยะทูลขอผ่อนก็แหละ เมื่อพระราหุนกุมารบวชแล้วความทุกข์มีประมาณนั้นยิ่งเกิดขึ้นแก่พระราชาเลยินว่าโหรทั้งหลายได้ทํานายพระโพธิสัตว์ในวันมงคลว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเช่นใดก็ได้ทํานายทั้งพระนันทะทั้งพระราหุนในวันมงคลนั้นว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเช่นนั้นเหมือนกัน เมื่อกล่าวที่โหนทั้งหลายทำนายบุตรของพระเจ้าสุโตนะว่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าสุโตนะก็เกิดปีติโสมนัสด้วยหวังว่าจะได้ชมจกักรพรรดิสิริของบุตรของเราและได้ทรงถึงความหมดหวังอย่างใหญ่หลวงเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผนวชเสียแล้วก็ได้ตั้งความหวังว่า จะได้ชมจักรพรรดิสิริของพ่อหนันทะแม้กระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงพระนันทะให้ประนวดเสียอีกท้าวเธอก็ทรงอดกลั้นทุกแม้นนั้นเสียได้ก็ยั ง, งทรงตั้งความหวังไว้กับพระเจ้าหลานเธอคือพระราหุลแต่แล้วพระผู้มีพระภาคก็ยังทรงพระราหุล น, นั้น ให้ประหนดเสียอีกเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงได้เกิดขึ้นแก่เท้าเธอยิ่งนักว่าสกุลมงบัตนี้ขาดศูนย์เสียแล้วจักรพัทสิริจะมีมาแต่ที่ไหนเล่าแม้ว่าเราเป็นพุทธมามะกะธรรมามะกะสังฆมามะกะก็จริงหรอกแต่เมื่อบุตรซึ่งบิดาของตนให้บวชเสียก็ไม่สามารถจทดกลั้น ญาติวิปโยคทุกได้ชนเหล่านั้นจะอดกลั้นได้อย่างไรก็ในเมื่อบุตรและหลานทั้งหลายของเราบวชแล้วประเหตานั้นท้าวเธอจึงปรารถนาว่าทุกเห็นป่านนี้อย่าได้มีแก่ชนเหล่าอื่นเลยในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระบรมศาสดากระทำพัฒกิจในพระราชนิเวศ พระราชาจึงเข้าไปตูลเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลกับพระองค์บากก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประนุษแล้วความทุกข์ล้นพ้นได้เบืองเกิดขึ้นแก่หม่อมฉันเมื่อพ่อนันตาบวชก็เช่นเดียวกันเมื่อพ่อราหุลบรรพชาทุกยิ่งมากล้นพระพุทธเจ้าข้าหม่อมฉันขอประทานพระวโรกาศพระกุณเจ้าทั้งหลาย ไม่พึงบวชบุตรที่บิดามารดายังไม่ได้อนุ ญ, ญาตพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมมิกถาเพราะเหตุนั้นเป็นต้นเข้ามูลจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตภิกษุไม่พึงให้บวชรูปใดให้บวช ต้องอาบัตทุกกฏตอนสามเณรราหุลกับการบัญญัติสิกขาบทบางก่อในการครั้งหนึ่งเมื่อพระาศาสดาเสด็จเข้าไปอาศัยเมืองอารบีประทับอยู่ในอังคาระวะเจดีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุและภิกษุณีจำนวนมากไปวิหารเพื่อฟังธรรม ก็แลเมื่อการเวลาล่วงไปอุบาสิกาและภิกษุณีทั้งหลายไม่ไปมีแต่พวกภิกษุและอุบาสกทั้งหลายตั้งแต่นั้นจึงเกิดมีการฟังธรรมตอนกลางคืนในเวลาเสร็จสิ้นการฟังธรรมภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเตระพากันไปยังที่อยู่ของตนของตนภิกษุหนุ่มกับพวกอุบาสก นอนที่อุปถานาสาลา่าคือโรงฉันเมื่อพวกพิษุนุมและพวกอุบาสกเหล่านั้นหลับบางคนนอนกรนเสียงกรืดกรืดบางคนนอนกัดฟันบางคนนอนกรู่เดียวแล้วลุกขึ้นพวกอุบาสกเห็นประการอันแปลกของพิษุนมจึงกราบตูนแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกาบทว่าก็ภิกษุใดนอนร่วมกับอนุปสมบัติภิกษุนั้นต้องอาบัติปาจิตติดังนี้แล้วก็ได้เสด็จไปยังนครโกสัมพีการที่ทรงบัญญัติสิกาบทก็นั้นภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวกับท่านราหุลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้อย่างนั้นแล้ว บัดนี้ท่านจงรู้ที่อยู่ของตนเถิดก็เมื่อก่อนพิ้งสุดทั้งหลายได้สงเคราะห์ท่านราหุล น, นั้นผู้มาอย่างที่อยู่ของตนของตนเป็นอย่างดีเพราะอาศัยความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมักลาดเตียงเล็กและให้จีวรเพื่อหนุนศีรษะแต่นับจากวันนั้นแม้ที่อยู่ก็ให้ไม่ได้แล้ว เพราะกลัวต่อสิกาบทฝ่ายสามเณรราหุลก็ไม่ไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคโดยคิดว่าเป็นพระบิดาของเราแล้วก็ไม่ไปสำนักของท่านพระสารีบุตรโดยคิดว่าเป็นพระอุปัชยัก์ของเราหรือไม่ไปสำนักของท่านพระมหาโมคลานะโดยคิดว่าเป็นอาจารย์ของเราหรือของท่านพระอ น, นุน ด้วยคิดว่าเป็นอาของเราแต่เธอก็ได้เข้าไปยังเวจกุดีคือห้องซ่วมของพระทศพลตลอดคืนยันรุ่งครั้นเวลาก่อนอรุณทีเดียวพระาศาสดาประทับยืนที่ประตูเวจกุดีคือประตูซ่วมแล้วได้ทรงไอขึ้นส่วนท่านสามเณรราหุล น, นั้นก็กระแอมรับ พระศาสดาตรัสถามว่าใครนั่นราหุลจึงได้ตอบว่าข้าพระองค์ราหุลพระเจ้าข้าแล้วก็ออกมาถวายบังกรมพระศาสดาตรัสถามว่าราหุลเพราะเหตุไรเจอจึงนอนที่นี้สามเณรราหุลจึงกราบตูลว่าข้าพระองค์ไม่มีที่อยู่พระเจ้าข่าด้วยว่าเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลาย กระทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์บัดนี้ไม่ให้ที่อยู่เพราะกลัวตนต้องอาบัติข้าพระองค์นั้นคิดว่าที่นี้เป็นที่ไม่เบียดเสียดผู้อื่นด้วยเหตุนั้นจึงนอนในที่นี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเกิดธรรมสังเวทขึ้นว่าก็เบื้องต้นภิกษุทั้งหลายสละราหุนได้อย่างนี้ ต่อไปเด็กในตระกูลทั้งหลายอื่นบวชแล้วจะกระทำอย่างไรลำดั บ, บ, บนั้นพระผู้มีพระภาคจึงประชุมพิสุทั้งหลายแต่ชาวตรูได้ตรัสกับพระธรรมเสนาบดีว่าสาริบุตรวันนี้ราหุลอยู่ในเวจกุฎีสาริบุตรท่านทั้งหลายเมื่อละราหุลได้อย่างนี้ ต่อไปภายหน้าเด็กในตระกูลทั้งหลายเหล่าอื่นบวชแล้วจะกระทำอย่างไรแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นกุลบุตรผู้บวชในพระศาสนานี้จะเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งบัดนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอท่านทั้งหลายจงให้อนุประสิบันทั้งหลายอยู่ในสำนักของตนวันหนึ่งสองวันในวันที่สาม เมื่อรู้ที่จะให้เป็นที่อยู่ของอนุปสัสมบัติเหล่านั้นแล้วจงให้อยู่ภายนอกแล้วบัญญัติสิกขาบทขึ้นดังนี้ว่าภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับอนุปสัสมบัติยิ่งกว่าสองถึงสคืนเป็นปาจิตติตอนทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้สมัยนั้น ระกูลอุปถากงดั่นปราสาริบุทได้ส่งเด็กชายพย่ำสำนักของปราสาริบุทรด้วยมอบหมายว่าขอพระเทระโปรดบรัญชาเด็กคนนี้เมื่อเป็นดังนั้นประสาริบทได้มีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไม่ให้ภิกษุรูปเดียวรับสามเณรสองรูปไว้อุปถาค แต่เรามีสามเณรราหุนนี้อยู่แล้วทีนี้เราจะปฏิเสธอย่างไรในนี้แล้วจึงกรบบลูนเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งว่าภิกษุตองหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถรูปเดียวรับสามเณรสองรูปไว้อุปตากได้ ก็หรือเธออาจจะโอวาทอนุาสาสามเณนมีจำนวนเท่าใดก็ให้รับไว้อุปตากจำนวนเท่านั้นตอนพระราหุนเถระบำเพ็ญเพียรโดยถือเอาการไม่นอนเป็นวัดท่านพระราหุนถือตุดงกวตดทั้งสิบสามก้อตามที่ปรากฏในอัตตกรตาเล่มที่สี่สิบเจ็ดราหุลสูตรดังนี้ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระราหุลทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกระเราว่าอย่าได้กระทำความอยากในจีวรดังนี้จึงได้สมาทานทุดงสองข้อเกี่ยวกับจีวรคือบังสุกุลิกังกะทุดงการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัดการถือนุ่งห่มผ้าสามพืนเป็นวัด ท่าระราลาหุนนั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรักราว่าเธออย่าได้ทำความอยากในบินธบาต ท, ท่านจึงได้สมาทานทุดงห้าข้อเกี่ยวกับบินธบาตคือการถือบินธบาตเป็นวัดถือบินธบาตไปโดยลำดับแถวเป็นวัดถือการฉันอาหารมื้อเดียวเป็นวัดถือการฉันปาชนะเดียวคือฉันในบาทเป็นวัด แ่ะถือการห้ามพระตาหารที่เขานำมาภายหลังเป็นวัดท่านปราราหุนนั้นทราบบ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกล่าวว่าเธออย่าได้ทำความอยากในเสนาสนะหนังนี้ท่านจึงได้สมาทานทุดงหข้อที่เกี่ยวข้องด้วยเสนาสนะคือถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือการอยู่โคนไม้เป็นวัด ถือการอยู่ที่แจ้งเป็นวัดถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดถือการอยู่ในเสนาสนะตามมีตามได้เป็นวัดท่รรานร拉หุนนั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกเราว่าเธออย่าได้กระทำความอยากในขิลานักปัจจัยคืออย่ารักษาโรคท่านจึงเป็นผู้สันโดษแล้ว ด้วยความสันโดษสาในปัจจุบันทั้งปวงคือยาถาลาภสันโดษยาถาพละสันโดษยาถาสารุ ป, ปะสันโดษเป็นผู้มีปกติรับคำสอนโดยความกรบเหมือนกุลบุตรที่ว่าง่ายในอัตตคตาเล่มที่14กล่าวว่าท่านพระราหุนเตระเป็นผู้ถือทูดงกวัฏ ในข้อเว้นอิริยาบทนอนคือถือการนั่งเป็นวัดโดยไม่เอ็นกายลงนอนเลยเป็นเวลาสิบสองปีตอนพระราหุลเถระเปลื่องอาพาธของพระมานดามีในสมัยหนึ่งราหุลสามนเณรได้มาเยี่ยมพระชนนีในวันนั้นลมในท้องของพระเถรีก็เริ่มขึ้น เมื่อพระโอรสเสด็จมาเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระเถรีนั้นไม่สามารถออกมาพบได้ภิกษุณีอื่นๆจึงมาบอกว่าพระเทรีไม่สบายราหุนสามเณร น, นั้นจึงไปยังสำนักของประมาณดาแล้วทูนถามว่าพระองค์ควรจะได้ยาอะไรพระเถรีผู้ชนนีจึงตรัสว่าดูก่อนพ่อ ในคราวยังครองเรือนมานดาดื่มรถมะม่วงที่เขาปรุงประกอบด้วยน้ำตาลกรวดเป็นต้นโรคลมในท้องก็สงบระงับไปและบัดนี้พวกเราเที่ยวบินตาบาดเลี้ยงชีพจะได้รถมะม่วงนั้นมาจากไหนรหุนสามเณรจึงทูลว่าเมื่อหมอมฉันได้จะนำมาแล้วก็ออกไปก็ท่านผู้มีอายุนั้น มีสมบัติมากมายคือมีพระธรรมเสนาบดีเป็นอุปชามีพระมหาโมคลณนะเป็นอาจารย์มีพระอนุนเถระเป็นอามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดาเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่ไปยังสำนักอื่นๆได้ไปยังสำนักของพระอุปชาไหว้แล้วได้ยืนมีอาการหน้าเศร้าอยู่ ลักษณนั้นท่านพระสารีบุตรเตระจึงกล่าวกับราหุลสามเณรนั้นว่าราหุลเห็นได้หนอเธอจึงมีหน้าระตมทุกอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญโรคลมในท้องแห่งพระเตรีผู้เป็นมารดาของกระผมกำเริบขึ้นก็เธอควรจะได้อะไรจึงจะหายพระมารดาเล่าให้ฟังว่า มีความผาสุกได้ด้วยรถมะม่วงที่ประกอบด้วยน้ำตาลกรวดราหุลช่างเถอะเราจะได้มาเธออย่าลำบากใจไปเลยในวันรุ่งขึ้นพระเตระพาราหุลสามเณรเข้าไปยังเมืองสาวตัตถีให้สามเณรนั่งที่โรงฌานแล้วได้ไปยังประตูพระราชวังพระเจ้าโกศลเห็นพระเตระจึงนิมนต์ให้นั่ง ในขนาดนั่นเองนายที่ดูแลสวนได้นำเอามะม่วงหวานที่สุกทั้งพวงจำนวนห่อนหนึ่งมาถวายพระราชาทรงปอกเปลือกมะม่วงแล้วใส่น้ำตาลกรวดลงไปขยํำด้วยพระองค์เองแล้วได้ถวายพระเตระจนเต็มบาทพระเตระออกจากพระราชนิเวศไปยังโรงฉัน แล้วได้ให้แก่สามเณรโดยกล่าวว่าสามเณรเธอจงนำรถมะม่วงนั้นไปให้มาดาของเธอราหุลสามเณรนั้นได้นำไปถวายแล้วพอพระเตรีบริโภคแล้วเท่านั้นโรคลมในท้องก็สงบลงฝ่ายพระราชาส่งคนไปด้วยรับสั่งว่าท่านพระสารีบุตรเทระ ไม่นั่งฉันรถมโม่ในที่นี้เธอจงไปดูให้รู้ว่าพระเตระให้กับใครราชบุตรคนนั้นจึงติดตามพระเตระไปทราบเหตุนั้นแล้วจึงมากราบทูลกับพระราชาให้ทรงทราบพระราชาจึงทรงมีพระดำริว่าถ้าพระศาสด า, าจะอยู่กรองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราหุลสามเณรจะได้เป็นขุนพลแก้ว พระเทรีก็จะได้เป็นนางแก้วราชสมบัติในสากลจักรวาลจะเป็นของท่านเหล่านี้ทีเดียวควรที่เราจะพึงอุปถาบบำรุงท่านเหล่านี้บัด น, นี้เราไม่ควรประมาทท่านเหล่านี้ผู้บวชเข้ามาอาศัยเราอยู่ดังนี้จำเดิมแต่นั้นพระเจ้าโกศลจึงรับสั่งให้ถวายรถมะม่วงแก่พระเทรีเป็นประจำ มานแปลงเป็นช้างรัดกระหม่อมของรราหุนความพิสดารว่าในวันหนึ่งเวลาวิกาลพระเตระเป็นอันมากไปสู่พระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่เป็นที่อยู่ของ ร, ราหุนแล้วก็ไล่ให้ท่านลุกขึ้นท่านเมื่อยังไม่เห็นที่เป็นที่อยู่ในที่อื่นจึงไปนอนที่หน้ามุก ของพระกันทกุฎีของพระตถาคตคราวนั้นท่านบรรลุพระอารหัต์แล้วได้เป็นผู้ยังไม่มีปัญษาเลยมันชื่อวสสวติดำรงอยู่ในพบนั่นแหละเห็นท่านผู้มีอายุนั้นนอนที่หน้ามุขพระกันทกุฎีจึงคิดว่าพระหน่อน้อยผู้แทงใจของพระสมณโคดมนอนข้างนอก ส่วนพระองค์บรรทมในภายในพระคันทกุดีเมื่อเราบีบคั้นพระหน่อน้อยพระพุทธเจ้าเองก็จะเป็นเหมือนถูกบีบคั้นด้วยมานั้นจึงเนิรมิตเพศเป็นพระยาช้างใหญ่เอางวงมารัดกระหม่อมกล่องพระเตระแล้วร้องดุดนกเกรเรียนด้วยเสียงอันดังพระาศาสดาบรรทมในพระคันทกุดี ทรงทราบว่าช้างนั้นเป็นมารจึงตรัสว่ามารคนเช่นท่านนั้นแม้ตั้งแสนก็ไม่สามารถเพื่อจะให้ความกลัวเกิดแก่บุตรของเราได้เพราะว่าบุตรของเรามีปกติไม่สะดุ้งมีตัณหาไปปราดแล้วมีความเพียรมีปัญญามากนังนี้แล้วฝ่ายมารผู้มีบาปคิดว่า พระสมกโคดมย่อมทรงรู้จักเราแล้วจึงได้อันตรธานหายไปในที่นั้นนั่นเองตอนพระพุทธองค์ทรงโปรดสั่งสอนพระราหุลเมื่อราหุลกุมาบรบรรพชาเป็นสามเณรแล้วได้ทรงตรัสราหุโลวาทสุตเป็นโอวาทหนึ่งๆแกราหุล น, นั้นตั้งแต่มีพระชนมายุได้เจ็ดปัญหา จนถึงเป็นภิกษุที่ยังไม่ถึงปัญหาในเวลาที่สามเณรมีอายุเจ็ดขวบได้ทรงแสดงหัมพละทิยะราหุโลวัฏสูตรแก่ราหุนสามเณรนั้นว่าราหุนยากลาวคํมมุสาวาดแม้เพื่อจะเล่าโดยความเป็นเด็กเลย น, น, นี้เป็นต้นในเวลาที่สามเณรมีอายุ18บปัญหาัรมหาราหุ โลวาทาสูตรแก่ราหุลผู้เดินบินดาบาตามหลังของพระตถาคตมองดูรูปสมบัติของพระสัจดาของตนตรึกวิตกเนื่องด้วยครอบกรัวภายหลังในเวลาที่ราหุลเป็นภิกษุได้ยังไม่ถึงปัญษาประทับอยู่ในอันทวันเกพระนกรสาวสถีจึงทรงตรัสจุลราหุโลวาทาสูตร เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอนัตตาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสภาษีนั้นจิตของท่านพระราหุลหลุดพ้นจากอาสวะ ท, ทั้งหลายพระไม่ยึดมั่นตืดมั่นและเทวดาหลายพันตนนั้นได้เกิดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากบนดินอันหมดจดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดาตอนพระราหุนเถระปเิณิพานไม่มีรายละเอียดว่าท่านปเรณิพานอย่างไรทรงทราบแต่เพียงว่าท่านปเรณิพานก่อนพระอักราสาวกทั้งสองและก่อนพระพุทธเจ้าโดยการทูลลาพระพุทธเจ้าไปสวรรค์ชั้นดาวดึงแลนี้คือเรื่องราวของท่านพระราหุนทั้งสองฝั่งวันนี้เวลาก็หมดพอดี ข้าพเจ้าพระมหาภัยบรญอะพิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร